การต่อการพูดให้คนอื่นแตกแยกเนี่ยจริงๆแล้วปกติแล้วด้วยเหตุผลสองประการาน่นะการพูดให้คนอื่นเขาแตกแยกกันเนี่ยนะเหตุผลอันที่หนึ่งเราเองเนี่ยจะได้เป็นที่รักคือคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ขาบข่าวไปเล่าให้คนอื่นฟังไงคือการที่พูดให้คนอื่นเนี่ยไปแตกแยกกันเท่าไหร่ตัวเองก็จะเป็นคน พิเศษขึ้นเท่านั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นคนพิเศษเพราะพูดให้คนอื่นเขาร้าวรานกันเนี่ยนะเก็บความข้างนี้ไปบอกข้างโน้นคนที่แหม่สามารถเอาเรื่องไปเล่าก็เหมือนกับว่าตัวเองเป็นคนที่คนอื่นเขารักแต่จริงๆแล้วคนอื่นที่คนที่มีนิสัยชอบพูดยุแยกให้คนอื่นเขาแตกแยกกันใช่ไหมในที่สุดคนเหล่านี้โดยมากหัวเดียวกะเทียมรีบนี่นะเพราะอะไรเพราะตัวเองทูดให้แยกหมดแล้วตัวเองก็เลยในที่สุดทุกคนเขามองว่าเจ้านี้แหละเป็นคนที่ทําให้ คนอื่นแตกแยกก็เป็นคนที่ไม่ควรครบหาสมาคมด้วยเนี่ยนะไปเกี่ยวข้องกับใครคนอื่นเขาก็แตกแยกหมดก็เรียกว่าเข้าไปสู่ณสถานที่ตรงใดที่ตรงนั้นก็มีปัญหาก็กลายเป็นตัวปัญหาตัวที่สร้างปัญหาตัวที่สร้างความร้าวรานไปอยู่ตรงไหนก็ตรงนั้นก็เรียกร้อนระ อ, อุขาดความเมตตาต่อกันและกันเนี่ยนะก็เจตนาเหล่านั้นเนี่ยถือว่าอันตรายมากเจตนาในการ ยุ่ยแยกเรียกว่าสอเสียดน่ก่อให้เกิดความแตกแยกกันแต่ตรงกันข้ามเจตนาที่พูดส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและปรองดองนั้นเป็นเป็นเจตนาที่มีอุปการะคุณมากทั้งในปัจจุบันและต่ อ, ต, อต่อไปเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นสรุปว่าพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยการใช้ถ้อยคำที่สร้างแต่ความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ปรองดองกันในข้อต่อไปเนี่ยนะ พระสมณโคโดมคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ละคำหยาบเว้นขาดจากคําหยาบคําหยาบนี่ก็คือคําพูดที่ประเภทอกโกสวัตถุพูดคำพูดที่เป็นคําด่านะอกโกสวัตถุคําพูดที่ด่าเช่นด่ากระทบอะไรกระทบรูปร่างกระทบผิวพรรณกระทบชื่อด่ากระทบนามสกุลนะด่ากระทบความรู้ความสามารถศิลปะเนี่ยนะด่ากระทบ เรกว่าเอาอะไรมากระทบได้ทั้งหมดอ่ะนะหรือด่าเปรียบเปรยที่เป็นคําด่าเปรียบเทียบกับสัตว์ในอาบายสัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งอ่ะนะไปเปรียบเปรยกับกลุ่มสัตว์ในอาบายเช่นเปรียบเปรยกับสัตว์นรกเปรียบเปรยกับเปรตด่าเปรียบเปรยกระทบกระเทียบกับเดรัชานทั้งหลาย เปรียบกับสัตว์เดรัจฉานสองเท้ามั่งสี่เท้ามั่งหลายเท้ามั่งเป็นต้นเนี่ยนะก็แล้วแต่จะเปรียบเปรยแล้วก็ดาก่ากระทบเรื่องผิวพรรณเรื่องรูปร่างเรื่องความสูงเรื่องสวดทรงเรื่องสันธานเรื่องอาชีพพฤติกรรมด่ากระทบชื่อนามสกุลอูด้ด่าได้หมดอนะไรเงี้เก็บเอามาดา่าสรนหาเอามาดา่านี่แหละเรียกว่าพูดคำหยาบเนี่ยนะคือคําพูดเรียกว่าตัดความเยื่อใหญ่กันเลยคนที่ได้ฟังคํานี้แล้วตัดความเยื่อใหยต่อคนที่พูดเลยคําพูดประเภทนี้เรียกว่า คำหยาบเรียกว่าหมดอะไรกันอะไรนี่แปลเปรียบเหมือนกับยางเหนียวใช่ไหมยางเหนียวที่เหมือนกับสายสัมพันธ์ที่เกาะกันเอาไว้ใช้คําหนึ่งคํำท่านั้นแหละมาก็เรียกว่ามิตรภาพที่เคยมีมาร้อยปีนี่ขาดสะบั้นเลยเอย่างนั้นอนะ่ะอย่าว่าสองปีสามปีเลยบางคําเนี่ยเหมือนกับว่าไปพูดแบบตัดเยื่อใยเนี่ยนะก็เหมือนกับตัดสายอะไรสายพานสายสัมพันธ์ก็ตัดออกไปฉาบหนึ่งซึ่งบางคนเนี่ยต่อไม่ติดแต่ก็บอกว่าคนที่อ ฟังคําพูดที่แตกแยกบางคนนี่เหมือนกับรอยไม้ที่กรีดในน้ําำนะถึงจะแยกแวบก็บพร้อมที่จะสมาสมานเหมือนเดิมนี่บางกลุ่มบางกลุ่มนี้เป็นเหมือนกับรอยไม้ที่กรีดในดินนะนะแต่ไม่นานก็จะประสานกันได้บางคนนี่เหมือนผาหินเลยเนี่ยน ะ, ะเหมือนผาหินแล้วเนี่ยประสานกันยากก้อนหินก้อนโตๆสองก้อนเนี่ยไม่รู้จะมาประสานกันยังไงฉันใดเนี่ยนะ บุคคลทั้งหลายในโลกนี้ก็มีหลายกลุ่มฉันนั้น น, นะบางคนก็ประสานได้บางคนก็พอจะประสานได้ใช้เวลาหน่อยบางคนจะด้วยเหตุผลใดประสานไม่ได้เลยเหมือนหินที่แตกราวกันเหมือนใบไม้เหลืองร่วงหล่นเหมือนคอขาดแล้วเนี่ยมาต่อสำเร็จไหมเอาเอากาวมาติดได้แต่แต่ว่าไม่ไม่มีชีวิตรอดจนประสบความสำเร็จที่าทีกว่าไม่มีความเป็นอันเดียวกันมีชีวิตอีกต่อไปเน่ยนะ คําพูดคำหยาบก็เหมือนกันเป็นคําพูดที่เรียกว่าตัดขาดสายสัมพันธ์ทั้งหมดเลยเรียกว่าพูดคำหยาบมันก็พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีคําหยาบเลยเขามีคําถามว่าพระพุทธเจ้าเทศแล้วคนอื่นเขากระอักเลือดเนี่ยไม่พูดคําหยาบหรือหรือพระอิชัมหนึ่งเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสเหมือนกันนะสมมติถ้ามีพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งกระทาผิดเช่นผิดสมณสารูปอย่างใดอย่างหนึ่งฟองตรัสว่างไงดูก่อนโมฆะบุรุษ คนเปล่าคำว่าโมฆะบุรุษก็คือคนกลวงอ่ะนะถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้นไม้ที่มีแต่เปลือกแล้ข้างในไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะคนกลวงดูก่านโมฆะบุรุษอันนี้พูดไม่ได้พูดด้วยโทสะแต่เรียกตามความจริงนะพูดตามความเป็นจริงแล้วโมฆะบุรุษการกระทาของเธอไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนะนะไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเนี่ยนะ ก็จัดแล้วก็ที่เหลือก็ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากตรัสโทษแห่งความเป็นคนบำรุงยากโทษของความไม่มักน้อยไม่สันโดษโทษของความคุ้ดคลีเป็นตัวเนี่ยพระองค์ก็จะแสดงธรรมโดยอเนกปริยายโทษถึงถึงความพฤติกรรมที่ผิดพลาดแต่คําที่พระองค์ตรัสทั้งหมดไม่มีโทสะเป็นสมุทฐานเลยเนี่ยนะไม่มีอ่าเขาบอกว่ากโกรธอ่ากหยาบหรือไม่หยาบอยู่ที่เจตนา ถ้าเจตนาพูดเพื่อจะตัดสายสัมพันธ์พูดเพื่อจะให้คนอื่นเขาเรียกว่าแม้พูดมันก็ให้จมไปอยู่นรกตลอดไปเนี่ยนะคำพูดประเภทอย่างนี้แหละคำพูดที่เรียกว่าหยาบหยาบโดยส่วนเดียวเนี่ยนะแล้วก็เขบอกว่าพูดคําหยาบประเภทนี่ยนะพูดไว้อย่างไรตัวเองก็จะสมพรปากอย่างนั้นมิจฉาวาจาเนี่ยนะมันเป็นกรรมที่ถือว่าร้ายแรงมากๆเลยเนี่ยนะเพราะตัวเองด่าคนอื่นไว้เป็นอย่างแรงเนี่ยตัวเองก็จะประสบความสําเร็จเช่นนั้นเนี่ยนะ มุ่งให้ผู้อื่นเป็นเช่นใดตัวเองก็ได้รับสิ่งนั้นมุ่งทําลายผู้อื่นตัวเองก็จะเป็นผู้ที่ถูกทําลายเนี่ยนะแต่พระองค์เนี่ยทำลายเจตนาที่เป็นเหตุให้หยาบแบบนั้นเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะกุศลศีลทั้งหลายเป็นตัวทําลายความทุศีลและคำหยาเว้นขาดจากคำหยาพันคำพูดที่พระองค์ตรัสจะไม่มีโทษไม่มีโทษต่อผู้พูดไม่มีโทษต่อ ผู้ฝังที่เป็นวินยูชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยจะไม่ถือโทษเพราะเป็นคําพูดที่ไม่มีโทษเพราะผู้ตามความเป็นจริงเป็นคําพูดแต่จริงๆแล้วเพราะหูเพราะหูเนี่ยนะคนฟังก็ยินดีที่คือมีความสุขที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยนะแม้กระทั่งเป็นคําตําหนิตนก็ตามก็ยังมีความสุขที่จะได้ยินได้ฟังเรียก ว, ว่ายินดีในการรับคําตักเตือนเพราะรู้ว่าอย่างสมมติคนอื่นเขามาแนะนําประโยชน์เนี่ยอ้าวคุณทำเงินตกอย่าง อู้ทำเงินตกได้ไงเนี่ยถ้าคนมาพูดบอกเราอย่างนี้นะซึ่งเราจะเดินทิ้งเงินไปแล้วเนี่ยเราจะโกรดเข้าไหมถือดียังไงมาบอกชั้นว่าท่านทําเงินตกเนี่ยนะดาาเกลี้ยวกร่ําใส่คนนั้นเลยไหมปกติไม่มีใครเขาทําอย่างนั้นหรอกคําตักเตือนที่มีประโยชน์ก็เหมือนกับคนที่บอกให้เก็บทรัพย์ที่ตกนั่นแหละเนี่ยนะบอกเออเนี่ยคุณทําเงินตกนะทําของตกนะทําทองตกนะเป็นต้นกขาบอกเขาก็เก็บขึ้นมาก็ขอบคุณคนบอกใช่ไหม คนบอกไม่มีอุปการะแกเรามากถ้าเขาไม่บอกนะเราทำของตกนั้นหยาบหรือไม่หยาบอยู่ที่เจตนาถ้ามุ่งทำลายเรียกว่าอยาบถ้าไม่มุ่งทำลายเรียกว่าไม่หยาบเสียงที่พูดไม่ถือเป็นประมาณอย่างที่เ็าบอกว่าเด็กคนหนึ่งขอแม่ไปเที่ยวป่าแม่ก็ไม่ให้ไปเด็กก็เดือนะก็ไปเที่ยวป่าจนได้แม่ก็บอกว่าเออขอให้ความขิดไต ควายป่าขิดให้ตายเนี่ยนะแต่เขาบอกว่าน้ําใจของแม่จริงๆแม้กระทั่งกรีบบัวก็ยังไม่อยากจะตกให้ตกใส่ลูกให้ลูกได้รับความลําบากแม้แต่น้อยแต่ว่าเด็กนั้นก็ไปไปป่าปั๊บก็เห็นควายป่าเข้าจริง ๆ, ๆเด็กก็เลยตั้งสัจจะวาจาขอให้จริงอย่างที่แม่คิดแต่อย่าจริงอย่างที่แม่พูดคือหมายความว่าความจริงที่แม่คิดไว้อย่างไหนขอให้เป็นอย่างนั้น แต่คําที่แม่พูดไม่เป็นประมาณคือเอาเจตนาของแม่เป็นประมาณบอกว่าสัจจะวาจานั้นก็ควานั้นก็เหล็กไปไม่มักิดเด็กเด็กคนนั้นเนี่ยนะถามว่าเพราะอะไรเพราะเจตนาของแม่ของพ่อเป็นต้นถึงจะใช้ถ้อยคําที่ฟังแล้วอาจจะบางคนไม่ชอบแต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมันถ้อยคําที่มีประโยชน์ต่อผู้รับนั้นไม่ได้มุ่งทําลายผู้รับเจคําพูดคําหยาบคือมุ่งทําลาย ผู้รับโดยส่วนเดียวจะใช้คําสํานวนเพราะพลิ้งขนาดไหนก็ช่างเถอะจะใช้แม้ดาบคมกริบตัดคอเรียกว่ามีดโกนอาบอะไรแล้วตัดคอมันจะจะไปอาบน้ำหวานอาบน้ําหอมอบน้ําหอมที่ไหนมันก็ก็คือคํามีดโกนที่มันเชื้อเฉินทั้งหลายนั่นแหละมันจึงไม่ใช่คําที่ไม่หยาบมันหยาบโดยเจตนาเพราะเจตนาหยาบขายมากเอาไหมล่ะคนอื่นเอานาเอานะเอามีดโกนเนี่ยไปเอาอบน้ําผึ้ง นะหรือไปอบน้ําหอมแล้วมาเชือดคอเราเนี่ยนะมันจะไปอบอะไรมาก็ช่างเถอะก็คําพูดนั้นก็เรียกว่าเป็นคําหยาบเพราะปะทุสร้ายผู้ฟังโดยส่วนเดียวเพราะน้ําเสียงที่ใช้ไม่ถือเป็นประมาณวิธีการพูดก็ไม่ถือเป็นประมาณถือเป็นประมาณตรงที่ว่าเจตนาของผู้พูดพูดให้เป็นอะไรเนี่ยนะเพราะคําพูดที่เป็นสัมมาวาจานั้นจะข่มคนที่ควรขม่มจะยกบุคคลที่ควรยกดังที่พระองค์บอกว่า อนนเราจะข่มคนที่ควรขม่มเราจะยกคนที่ควรยกเราจะไม่ทำจะคอยประคับประคองกับพวกเธอเหมือนกับช่างหม้อดินช่างปั้นหม้อเนี่ยนะที่ประคับประคองหม้อดิบๆสมมติว่าหม้อแบบดิบๆเลยเนี่ยนะที่ที่ยังเรียกว่าถ้ากดบุมนิดหนึ่งมันจะบุมเลยใช่มถ้าแรงนิดหนึ่งมันก็จะบุมลงไปเนี่ยนะจะไม่คอยประคับประคองแม้อุ้มแบบนั้นเราจะข่มแล้วข่มอีกจะยกแล้วยกอีก หมายคถางว่าข่มคนที่ควรข่มยกคนที่ควรยกสันเสริญคนที่ควรสรนเสริญตำหนิคนที่ควรตำหนิพระองค์จะไม่โอ้ยดีไปกระทุกคนเลยไม่พระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีวาจาแยกอะไรเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิบางทีพูดเพราะแต่โงูเนี่ยมันใช่ไหมเราไม่ใช่แน่นอนพระองค์จึงแยกว่านี้เป็นสัมมาทิฏฐินี้เป็นมิจฉาทิฏฐินี้เป็นสัมมาสังกัปปานี้เป็นมิจฉาสังกัปปานี้เป็นสัมมาวาจานี้เป็น มิชฉาวาจานี้เป็นสัมมากรรมตะหรือมิฉากกรรมตะนี้เป็นสัมมาอาชีวะและมิชาอาชีวะคําพูดของพระองค์เนี่ยนะจึงจะไม่ไม่บอกว่าทําชั่วก็ดีทําดีก็ดีพูดผิดก็ดีพูดถูกก็ดีจะไม่มีแบบนั้นนะคำพูดของพระพุทธเจ้าจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะจะไม่ใช่ลักษณะตลบตะแรงแบบนั้นเด็กค่ะพระองค์ก็จะแยกอนุโมทนาในสิ่งที่ควรอนุโมทนาชื่นชมในสิ่งที่ควร ชื่นชมสาธุการในสิ่งที่ควรสาธุการตำหนิข่มแล้วก็แสดงพระวินัยบัญญัติในสิ่งที่ควรตำหนิและควรข่มเป็นต้นเปรียบเหมือนหมอที่ฉลาดแกจะป่วยเป็นเอรคหมอที่ปรารถนาดีต่อคนไข้จริงๆเนี่ยนะถามว่าป่วยเป็นโรคอะไรก็ดีหมดหมอจะได้ตังค์เนี่ยเขาไม่คิดอย่างนี้กันหรอกก็มีแต่ใจที่กรุณาหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีจะช่วยเหลือเขาตรงไหนได้บ้างฉันใดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถ้อยคําทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เหมือนกับการ รักษาโรคให้แก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยนะหวังแต่ประโยชน์หวังแต่ความเกื้อกูลหวังแต่ความสุขก่อต่อเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมันจึงไม่มีเจตนาประทุสร้ายแม้กระทั่งว่าพระองค์แสดงธรรมแล้วเข้ากับอักเลือดก็ไม่ได้เกิดจากคําพูดที่หยาบของพระองค์แต่เกิดจากพฤติกรรมที่วิบัติของส่วนตัวเนี่ยนะอย่างมีพระพิสุกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะไปไปทุศีลเป็นปกติแล้วก็ขาดจากความเป็นสมณะแล้วด้วย แล้วก็แต่ก็ยังเดินเป็นบริวารห้อมล้อมพระพุทธเจ้าไปกลุ่มทูตศีลมี60รูปแบบเรียกว่าไม่เหลือความเป็นสมณะอยู่แล้วนี่หกสรูปแล้วก็ทุศีลเป็นอจินนกรรมอีก60รูปศีลดีอีกหกรูปประมาณร80ดิรูปติดตามพระพุทธเจ้าไปพระองค์แสดงธรรมอักขิขันธูปมาสุดไอภิกษุที่ทูอ่าขาดจากความเป็นพิสุแล้วฟังจบกระอักเลือดเลย อันนี้ไม่ได้เกิดจากคําสอนที่พระองค์สอนแต่เกิดจากทําตัววิบัติเองเนี่ยนะเกิดจากพฤติกรรมที่วิบัติก็เลยกระอักเลือดแต่ก็เป็นผลดีกับพิสูจนเหล่านี้เพราะพิสูจนเหล่านี้ในที่สุดท่านก็ปฏิญาณว่าเป็นสมมาเนนเนี่ยนะประพฤติปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอนาคามีในตอนหลังอนนะกลุ่มที่สองทุศีนบ้างเรียกว่าผิดอบัติเล็กๆน้อยๆเ น, นี่ยเป็นอจินตกรรมเลยนะโอ้ยทำมวินัยนี้ทํายากสึกเลย ไปเป็นคารวาะประพฤติดีปฏิบัติชอบในคารวาะเพศก็บรรลุมกมรผลส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยฟังธรรมจบบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยสูตรสูตรเดียวกลุ่มที่หนึ่งกระอักเลือดหกสิบรูปกลุ่มที่สองศึกเลยกลุ่มที่สามเป็นพระอรหรันต์เนี่ยนะเพั้นเจตนาของพระองค์นั้นจึงไม่หยาบเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะปรารถนาดีหวังดีแล้วก็สร้างแต่ประโยชน์เกื้อกูลให้แก่พระพิสุทธ์ทั้งหลายเหล่านั้นหวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลแก่เอ่อ สรรพสัตทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะคำของพระองค์จึงไม่ไม่หยาบเนี่ยนะที่จริงนะเสียดายว่าเกิดไม่ทันได้ยินเสียงที่พระองค์ตรัสเสียงของพระพุทธเจ้านี้จะเรีวยกว่าเสียงที่ประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเสียงที่หนักแน่นนิ่มนวลสุขุมลุ่มลึกเกิดเสียงเป็นฐานมาจากภายในเนะี่ยแล้วก็เกี่ยวกับระบบทางทางทางปากของพระองค์เช่นพระทนคือฟันหรือลิ้นชิวหาคอของพระองค์เป็นเรียกว่าสมบูรณ์แบบหมด เพราะฉะนั้นเสียงของพระองค์จึงไพราสนุ่มนวลลุ่มลึกเนี่ยนะกังวานไม่พรา่าแล้วก็เสียงเป็นจังหวะเนี่ยนะไม่ใช่ฟังแหะๆแบบนี้หรอกเนี่ยนะแต่ก็ทนฟังไปก่อนก็แล้วกันเนี่ยนะทำบุญมาน้อยทําเท่าไหร่ก็ได้ฟังเท่านั้นแหละนั้นพูดแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็เอานี่นี่คือฐานฐานเกี่ยวกับระบบเสียงของพระพุทธเจ้าอันดับหนึ่งสองสภาพจิตของพระองค์เนี่ยตรัส ด, ด้วยเมตตาพระองค์ก่อนจะแสดงธรรมเนี่ยพระองค์จะเจริญเมตตก่อน จเจริญเมตตาว่าคําใดบ้างที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของผู้ฟังนั่นคือคือสิ่งที่พระองค์เป้าหมายอันดับแรกเลยสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ผู้ฟังอย่างต่อไปอีกบอกว่าจะช่วยเขาพ้นจากทุกเหล่าไหนาได้บ้างอ น, นะน ปลดเปลื้องทุกจากอบายทุกติวินิบาตให้แก่เขาได้ไหมปลดเปลื้องทุกในปัจจุบันและต่อต่อไปให้เขาได้ไหมปลดเปลื้องทุกในวัฏะทั้งปวงให้เขาได้ไหมอันนั้นใจที่เป็นกรุณาและที่สําคัญพระองค์มีปัญญารู้ว่าถ่อยคําไหนที่มันมีผลต่อผู้รับที่สุดเป็นประโยชน์ต่อผู้รับที่สุดช่วยเหลือเกื้อกูลต่อผู้รับที่สุดเพราะพระองค์เป็นผู้มีปัญญารอบรู้อย่างรู้ถึงประโยชน์ทั้งปวง นนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ของเท ว, วดาและมนุษย์ทั้งหลายที่เขาควรจะได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดนั้นถ้อยคําที่รองค์ตรัสนั้นจึงเป็นคําที่เพราะอ่นนะแล้วทุกคนก็รักพระพุทธเจ้าอ่นนะผู้ทางสารนังคัจฉามีคนที่ออกมาด่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีอยู่คนเดียวที่เรียกว่าบวชติดตามพระพุทธเจ้าแล้วออกมาด่าพระพุทธเจ้ามีอยู่คนเดียวคือสุนขัขตาฤชวีบุตร เอ๊ถามว่าทําไมพระองค์ดีขนาดนั้นเนี่ยนะแกยังออกมาดา่ามาก่นมาต่อว่าในตอนหลังเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนที่หมั่นไส้พระพุทธเจ้ามาตลอดก็คือเขามีความคิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเก็บซ่อนอะไรไว้ในกรรมมือและไม่บอกตัวเองและเขาเนี่ยพยายามคิดถามมีใครดีกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเขาอยู่กับบุคคลที่สูงสุดแต่ไปเขาไปเห็นนักบวชแก่ผ้าเห็นอะไรอย่างอื่นนะเขาจะมาเปรียบกับพระพุทธเจ้า เขาก็จะเป็นคล้ายๆมีความคิดแบบเนี้ยที่เป็นความเห็นตรงกันข้ามกับตลอดเรียกว่าความคิดเนี้ยเป็นปฏิบักมาตลอดอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ในตอนหลังเนี่ยยิ่งมีความคิดที่เรียกว่าตำหนิพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นคนที่ว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับว่าตรณีตรณีทำตรณีคือคือเห็นว่าพระองค์นี้เจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะซึ่งก็ออกมาต่อว่าพระพุทธเจ้ามาด่าพระพุทธเจ้าทั่วเมืองภัยาลี พระองค์ก็บอกว่าเขานะ า, าแล้วพระองค์ก็ชี้แจงว่าเขาจริงๆอ่ะเป็นเพราะอะไรพระองค์ก็แสดงธรรมนะแสดงธรรมเปิดเผยตามความเป็นจริงว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอะไรแล้วก็พระองค์ก็บรือสีหันาสนี่นะแล้วก็ไอเจตนาที่สุนัขตาลิชวิบุตรนั้นถ้าไม่ละเจตนาตัวนั้นเนี่ยนะบาปประกรรมที่เขาทำเนี่ยเที่ยงแท้ที่จะตกนรกอก่างั้น เหมือนอะไรเหมือนคนที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะกระยิมในอรหัตผลในปัจจุบันฉันใดนะผู้ที่ไม่ละวาจาอันนั้นทราว่าพระพุทธเจ้าไม่มีคุณธรรมอะไรเลยเนี่ยนะก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกชั้นนั้นก็บอกว่านี้เป็นอุปมาที่หนักที่สุดในพระพุทธศาสนาครับงั้นเป็นอุปมาที่หนักแน่นที่สุดก็คือเปรียบกับผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญากระยิมในอรหัตผลในปัจจุบันคนที่ไม่ละมิจฉาวาจาอันั้นก็เที่ยงแท้ที่จะ ตกนรกชั้นนั้นเนี่ยนะ